พระธรรมเทศนาแผ่นที่48ดลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่18ทธันวาคม2554มีชื่อเรื่องว่าทพีแช่ในหม้อแกงเรามาศึกษา ได้มาศึกษาก็พยายามศึกษาให้เต็มที่อย่าให้ขาดตกบกพร่องพยายามทำให้เต็มที่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเราจะได้รับความรู้เรื่องความเข้าใจในพระธรรมคำสอนหรือตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นที่ท่านได้บอกกล่าวแนะนำพวกเรา ผมมั่นใจว่าไม่เปล่าประโยชน์แน่ถ้าพวกเราใส่ใจสนใจเว้นเสียแต่พวกท่านทั้งหลายไม่ได้ใส่ใจไม่สนใจอยู่แบบไปคิดไม่อ่านพอให้พ้นวันวันคืนคืนเดือนเือนไปแล้วก็ออกไปอันนั้นแปลว่าไปอยู่ณสถานที่ใดเหมือนกับทับพีแช่อยู่ในหม้อกแกงถึงจะแช่อยู่ร้อยปีพันปีก็ไม่รู้รสหวานเค็มของแกงนั้นๆเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้ใส่ใจ เหมือนกับทัพผีแช่อยู่ในหม้อกแกงแต่ว่าลิ้นเราไปนสถานที่ใดรสเผ็ดหวานเค็มอะไรเราก็รู้เพราะลิ้นของเราเราพร้อมที่จะรับรสนี้ก็เหมือนกันเราเข้ามาสู่ประวัดวาศาสนามาสู่พระธรรมคําสอนของพระพทุทธเจ้าเราควรจะเป็นลิ้นไม่น่าจะเป็นทัพพีน่าจะรู้รสน่าจะศึกษา ค้นคว้าเมื่อเราศึกษาค้นคว้าถึงจะมีเวลาน้อยช่วระยะหนึ่งผมก็มั่นใจว่าถ้าว่าพวกท่านประทับใจในการประพฤติปฏิบัติของพวกท่านพวกท่านก็จะแนะนําไปใช้ต่อไปในภายภาคหน้าเมื่อท่านออกไปเป็นครวาตหรือว่าท่านไปออกจากวัดนี้ไปถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภาคนานอ น, นั้นยิ่งมีประโยชน์อย่างมาก ก็เป็นพื้นฐานที่จะได้นำไปประพุทธปฏิบัติปรับปรุงกายใจของพวกท่านต่อไปท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านก็จะได้นำทำคําสอนที่พวกท่านได้ศึกษาแล้วนี้นำไปบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนจิตญาุจิตต่อไปภายภาคหน้าแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายมาอยู่ไม่ได้รับการศึกษาเฉลยมาอยู่กับมาอยู่กับเออมาอยู่ถึงพระประธานท่านถึงท่านจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนพระประธาน เป็นพรมครูของพวกเราแต่ท่านถ้าเรามาอยู่กับท่านาโดยที่ท่านไม่ได้นะนำสั่งไม่ได้แนะนําสั่งสอนอะไรมีแต่มากราบมาไหว้ทั้งวีทั้งวันมาปนอุปถัมภ์ประทากโดยเราที่มาเรีนดึกศึกษาอะไรพวกเราจะได้ความรู้ความฉลาดไหม่ อ, อันนี้ผมก็มั่นใจอย่างนั้นเพราะว่าเพราะฉะนั้นเองพวกท่านทั้งหลายเข้ามาสู่วัดว า, าศาสนารรมาสู่วัดของผม ผมจึงเก็บประเด็นนั้นประเด็นนีแนวว้แนวความคิดนั้นแนวความคิดนี้มาตีแผ่ขยายผลให้แก่พวกท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาต่อไปภายภาคหน้า พ, พวกท่านถ้าว่าเป็นผู้สนใจใฝ่ในการศึกษาพวกท่านก็จะได้นำแนวความคิดของผมประเด็นใดประเด็นหนึ่งประเด็นหนึ่งนำไปปรับปรุงแก้ไขการกระทาหรือว่าพวกท่านทั้งหลายประสบปัญหาอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น ในชีวิตประจําวันต่อไปภายภาคหน้าความคิดที่พวกท่านได้ศึกษาในวันนี้มันจะวิ่งเข้ามาหาพวกท่านมันจะเข้ามาหาพวกท่านพวกท่านก็จะได้นําแนวความคิดนั้นเอามาใช้ในชีวิตประจําวันหรือเฉพาะหน้าผมมั่นใจอย่างนั้นเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือทุกอย่างต้องอาศัยการเรียนรู้ ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็พร้อมกันในเมื่อพวกท่านทั้งหลายออกไปเป็นสู่คารวะญาติโยมพวกท่านทั้งหลายก็จะเอาแนวความคิดนี้ไปใช้แต่ระยะแรกหรือว่าเรายังมีธุระการงานอยู่เราก็คงจะไม่ไม่ยุ่งไม่เยิง ไม่ได้สนใจเราก็อยู่แบบไม่ได้ใส่ใจพอเรามีธุระการงานเราอาจจะหลงหลงลืมลืมไปแต่อีกสักวันหนึ่งข้างหน้าผมมั่นใจว่าพวกท่านทั้งหลายมันหมดทางที่จะไปแล้วจะนียอายุของอายุของพวกท่านก็มากแล้วก็พร้อมที่จะหันเข้ามาสู่วัดว า, าศาสนาเข้ามาหาที่พึ่งทางด้านจิตใจ ผมมั่นใจเหลือเกินว่าในช่วงนั้นพวกท่านจะต้องลำลึกถึงคุณงามความดีและลำลำลึกถึงสมัยเมื่อพวกท่านทั้งหลายในมาประพฤติปฏิบัติอยู่ในวัดของของเราในวัดของผมแห่งนี้จากนั้นพวกท่านทั้งหลายเมื่อออกไปเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายหรือมีอุปสรรคในการดำรงชีพผมก็มั่นใจเหลือเกินว่าพวก ในคราวนั้นพวกท่านทั้งหลายก็คงจะล้ำลึกถึงทำคําสอนของพระพุทธศาสนาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้อ่านจากตำรับตาราในขณะที่พวกเราท่านทั้งหลายได้บวชจะได้นําไปประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของพวกท่านนี่แหละการศึกษาและการฟัง ผมเองมั่นใจว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพวกเราท่านทั้งหลายแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายมาอยู่แบบทับชีแช่อยู่ในหม้อกแกงอย่างที่ผมว่าถึงจะอยู่นักสถานที่ใดไปนักสถานที่ใดก็ตามไม่เกิดประโยชน์มีแต่ให้เขาตักแกงเท่านั้นเองไม่รู้รสของพระธรรมไม่รู้รสของอาหารเพราะฉนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกอง ควรจะเป็นผู้ใส่ใจมุ่งมั่นแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวเอาไว้ผมว่าจะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อพวกท่านทั้งหลายการอยู่ด้วยการบางครั้งมันก็มีความไม่เข้าใจกันแต่บางทีก็เจตนาก็มีไม่เจตนาก็มีบางทีก็ความ รูเท่าไม่ถึงการก็มีและในหมู่ในคณะแต่ถึงยังไงเราไม่ได้มามม่งหวังเพื่อจะเอาผิดเอาถูกไม่ใช่ว่าเขาพูดพูดผิดเพียงคําเดียวกับหัวฟัดหัวเวียงเอาเป็นเอาตายกับเรื่องเหล่านั้นทั้งที่มันเป็นเรื่องของโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้เหมือนกับหมาเหา่าเออ ง, อง้ ง, อ ง, ง, อง้ขึ้นมาแล้วก็เล่าก็ไปไล่ตีหมาบันหากูทําไมไม่มีเหตุไม่มีผลเอาไปมาจะไปกัดขาหมาอีกต่างหาก ถ้าไม่ใช่โง่แล้วจะว่าอะไรนะไม่ใช่โง่ธรรมใดบอรมะโง่ฮะสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องคิดเราไม่ได้มามุ่งหวังอย่างอื่นเรามุ่งหวัง อ, อมาหาเพชรท้าพอยหาเพชรนินจินดาหาของดีเราต้องมุ่งหวังไปในทางที่ดี อ, อหาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีใยในทางที่ดีเราไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่น เราเข้ามาบวชเรื่เขามาเกิดในโลกคราวนี้เรามาเกิดในโลกครั้งนี้คราวนี้เราเราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนอย่างไรเราเชื่อมั่นในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราแอบมอกกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นเราจะเดินตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าส่วนส่วนอื่นนั้น เราก็ยกไว้เราก็ไม่ได้ถื อ, อว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่มันมีมาม า, ม, ามันมาพาดมาเกยหรือมากระทบกระแทกเข้ามาเราก็รู้จักทางหลบทางหลีทางลีดทางหนีทีไลเ่เราก็ไม่ใช่ว่าจะปฏิเสธอย่างเดียวหรือเราจะชนอย่างเดียว หรือเราจะเอาชนะอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกบางสิ่งบางอย่างออบางเรื่องเราก็ต้องแข็งบางเรื่องเราก็ต้องอ่อนบางเรื่องเราก็ต้องหลบสิ่งเหล่านี้มันเพราะสติเพราะปัญญาของพวกเราต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความรอบคอบในการเป็นอยู่นั่แหละชีวิตของพระชีวิตของนักบวช ชีวิตของผู้บำเพ็ญอยู่ในป่าในวัดวัศาสานาต้องรู้จักหออลบหลีกรูออ้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางออแต่สิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อวัดวัศาสานาต่อหมูพวกเพื่อน อ, อ, อันนั้นเราต้องทำแต่สิ่งไหนที่จะเป็นออพิษเป็นภยัยเป็นอันตรายต่อวัดวัศาสานาสิ่งนั้น เราอย่านอย่านสจ่งนั้นเข้ามาเข้ามาเอามาเข้ามาในวัดวาสศาสนามันเป็นพิษเป็นภยัยมันเป็นอันตรายมันเผาตัวเองมันหกออกจากเผาตัวเองนะควับเผาวัดวาศาสนาเผาครูบาอาจารย์เผาหมู่พวกเพื่อนอีกมันไม่เป็นผลดีสิ่งไหนที่หายนะที่ท่านได้ห้ามไว้แล้วท่านบอกไว้แล้วสิ่งนั้นเราต้องระวังพะเรามาอยู่ที่วัดของท่านมาอยู่ที่วัดผม สิ่งไหนก็ตามถ้าผมได้ห้ามแล้วพวกท่านทั้งหลายต้องฟังแต่ถ้าว่าพวกท่านอยกทั้งหลายอยกจะทําออกวัดออกจากวัดนี้ออกจากวันนี้ไปจะทํายังไงก็ได้ผมไม่ได้ห้ามเอแต่ว่าผมได้ยินว่าพวกท่านทําไม่ถูกนั่นแหะผมจะห้ามไม่ให้เข้ามาเหยียบวัดผมอีกเพราะมันจะเปรอเปื้อนะสิ่งเหล่านี้มันต้องมีขั้นตอนอเมื่อเราอยู่เราก็อยู่เพื่อการศึกษา อยู่เพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อดํารงไว้ซึ่งหลักพระธรรมวินยัยต่อไปภายภาคหน้านเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าวิธีการวางตัวนั้นวางอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่เข้ามาอยู่ในวัดหรือมาอยู่ในวัดวาศาสนาอย่างที่ผมได้บอกได้กล่าวแต่ว่าพระในครั้งพุทธกาลก็ไม่ แพ้ในคราวนี้เหมือนกันเพราะพระในสมัยนั้นก็มีทั้งผู้มีกิเลสทั้งผู้มีธรรมผู้มีกิเลสก็มีผู้มีธรรมก็มีถ้าผู้มีกิเลสมันก็ดันไปทุลังไปทางกิเลสมอนกันแต่ผู้มีธรรมท่านก็มุ่งหวั ง, วงไปถ้าผู้มุ่งหวั ง, วงในธรรมแล้วเรื่องไม่มีเรื่องน้อยมากแต่ถ้าว่าพูด หวังกิเลสมีกิเลสในจิตใจนั้นจะหาที่สิ้นสุดไม่ได้อมีอะไรก็เนะ่ยความพิษนินทิดหน่อยๆเอก็เอามาคิดมาฟุ้งมาปรุงมามาสัาน้นมาเอาแพ้เอาชนะกันอยู่นั่นอันนั้นเป็นพวผู้มาสั่งสมกิเลสมาสั่งสมความไม่ดี เ, เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ดูใจของตนเองมาเข้ามาบวช ในพระพุทธศาสนาในคราวนี้ครั้งนี้เรามาสั่งสมอะไรมาสะสมอะไรถ้ามาสะสมคุณงามความดีสั่งสมคุณงามความดีแล้วไม่มีปัญหาปล่อยวางได้ทั้งหมดเรื่องนะั้นเป็นเรื่องของโลกสัพสัตทั้ทงหลายในโลกนะี้มีมากมายเสียงนกเสียงกาเสียงไก่เสียงหมูเสียงมา้าร้องอะไรมีหมดทุกอย่างแต่สำหรับ ผู้เราพวกปฏิบัติแล้วนั่นแหละเราจะลูกต้องเลือกเฟ้นอันไหนควรมิควรอย่างไรนะขอให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกองนะให้ตั้งอกตัง้งใจประพฤติปฏิบัติเรื่องวัดของเราเรื่องภาวนาเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเราไม่ได้เน้นหนังหวังอย่างอื่นเราไม่ต้องการลาบยศสรรเสริญอย่างอื่นเราไม่ต้องการ ความยกย่องสรรเสริญอย่างอื่นเราต้องการให้พวกเราท่านทั้งหลายภาวนาถึงจะมีน้อยมีมากก็เราต้องการให้ภาวนาเพื่อหาทางพ้นทุก์เราสร้างวัดขึ้นมาเพื่อพวกท่านทั้งหลายให้หาทางพ้นทุก์ไม่ใช่ช่างขึ้นมาเพื่อสาะแสวงหาลาบ ส, ส, น ส, นสัตยศสรรเสริญสุขเอาไปทไําไหมได้ไปแล้วเพื่ออะไรทไําไหม อีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะถูกเผาไฟทิ้งอยู่แล้วเห็นไหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นผู้ใหญ่ขนาดไหนท่านก็เป็นตัวอย่างให้พวกเห็นเราเห็นอยู่แล้วและพวกเราจะมุกหวังอะไรอีกข้อสำคัญพ่อแม่ครูบาอาจารย์น่ท่านได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลอันนั้นท่านไม่ว่าอันนั้นช่วยท่านช่วยเหลือเหลือโลกแต่พวกเราท่านทั้งหลายนะ่ ยังไม่มีอะไรกระโดดโลดเต้น ห, หวังนั่นหวังนี้ต้องการนั่นต้องการนี้อยากจะให้คนยกจ่องเชิดชูบูชาฉันเสญตัวเองสิงเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดเอาไว้ตระหนักในใจอย่าไปมุ่งหวังอะไรมากนอกจากทำถ้า ม, มุ่งหวังทำในใจแล้วมีแต่ความผาสุกอยู่นสถานที่ใดไปนสถานที่ใดมีแต่ผาสุกทั้งนั้นอยู่คนเดียวอยู่มากอยู่น้อย ก็มีแต่ความผาสุกแต่ถ้าวายู่ด้วยกันแหมมากไมย ก, ก็มีแต่มากขี้ควายหลายขี้ช้างไม่เกิดประโยชน์ทั้งนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่าน เ, เข้ามาบวชในพุทธศาสนาหรือ บ, บวช เ, เป็นพระอยู่ที่ถาวรเหมือนกันเนี่ยที่เป็นพระอยู่ประจำที่จะดำรงทรงศาสนาต่อไปภายภาคหน้าต่อไปภายภาคหน้าท่านจะเป็นผู้ใหญ่ มีอายุพรนษาขึ้นมาในขณะที่อยู่กับครูบาอาจารย์หรือขณะที่อยู่ศึกษาท่านต้องศึกษาค้นคว้าอันไหนอันไหนต้องศึกษาให้ได้ท่องบนสาทยายอันไหนที่จะเกิดประโยชน์ท่านต้องขยันไม่ใช่อยู่เป็นวันวั น, วนอยู่ชังกระตายเป็นวันวันไปทำอะไรก็ไม่ได้แล้วจะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้ยังไงเป็นผู้ใหญ่ซื่อบือ้ออย่างนั้นหรอ เป็นผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งโง่ใช่ไม่ได้นะสิ่งไหนถึงเราจะไม่ทําอะไรก็ต้องเป็นฝาปังอายเอาไว้ต้องเรียนเอาไว้ศึกษาเอาไว้เพื่อต่อไปภายภาคหน้าเราจะได้ใช้ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่เป็นวันวันไปจบเป็นวันวันไปถามอะไรก็ไม่รู้จะสวดมนต์ชาตยายอะไรก็ไม่เป็นไม่รู้อันนั้นแปลว่ากรรมฐานเนี่ยเขาดูถูกอย่างมากพวกท่านทั้งหลายอย่าได้เป็นอย่างนั้น ผมเนี่ยดูสิผมไม่ได้ยกย่องตนเองนะผมก็เป็นลูกตาสีตาสาตมีตมาบวชมาอายุเท่าไหร่ผ ม, ไ, มได้เรียนอะไรแต่ผมไม่ได้อยู่กับอยู่นิ่งดูได้ผมค้นคว้าศึกษากล้าพูดกล้าแสดงที่ผลพูดผลผมแสดงไปนั้นมันผิดที่ตรงไหน เราก็อยากจะรู้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ผมพูดทางนี้ทั้งนั้นอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังอย่าไปอยู่แบบไม่คิดไม่อ่านพวกท่านทั้งหลายต้องคิดต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาอย่าไปใช้แบบคนหมดไฟอย่าไปใช้อย่าไปอยู่แบบคนหมดไฟหมดความกระตือรือร้อนทางด้านจิตใจถ้าหมดไฟจริงๆคือหมดกิเลสอันนั้นก็ไม่มีปัญหา ถ้ากิเลสยังเต็มหัวใจังกิเลสท่วมท้นหัวใจแล้วหมดพลังคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจอันท่านหน้าตำหนิเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าใหเ้เป็นผู้ที่หมดฮหมดความกระตือรือร้นหมดไฟถ้าหมดไฟกิเลสอันนั้นเลิศประเสริฐเอาชําระหมดให้มันหมดไปเลยกิเลสราคะโทสะโมหนะันอันนั้นชําระอย่างนั้นได้เลิศประเสริฐ ตามหลักทมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าว่าหมดกระตือความกระตือลือล้นคุณงามความดีไฝ่ ไ, ไปแต่ทางชั่วบาปอกุศลขนเข้ามาสู่จิตเข้าสู่ใจของตนเองอันไหนที่เป็นความชั่วชา้าเสียหายผิดต่อหลักธรรมวินยัยหลบหลบซ่อนๆ่อนหลิกๆเลีลล่ยงเลี่ยงทำอย่างนั้นไม่ถูกนะพวกท่านทั้งหลายไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวพวกท่านเองไม่ต้อง พูดกันนี่แหละสิ่งเหล่านี้ผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าก็ต้องกล่าวเตือนยำ้ำให้พวกท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องในหลักพระธรรมวินัยแต่ถ้าพวกท่าน ท, ทั้งหลายทำไม่ถูกหลักพระธรรมวินัยแล้วหรือไม่มีฮิเลอตาปะไม่มียางอายต่อหลักพระธรรมวินัยแล้วแล้วพระกลุ่มไหนล่ะจะเป็นผู้มีความละอายต่อบาป เราเป็นพระกรรมฐานกับเป็นผู้ฝึกทางด้านจิตใจอยู่แล้วเนี่นะมันออกมาจากไหนถ้าไม่ออกจากใจ้มันชั่วมันออกมาจากไหนถ้าไม่ออกจากใจมันออกจากใจซะก่อนมันจึงไปไ ป, ไปทางกายไปถึงไปทางวาจาเพราะฉะนั้นเรามาฝึกมานั่งสมาธิดูใจมาดูใจของเราแต่ละวี่แต่ละวันมันคิดไปในทางไหนถ้าคิดไปทางชั่วแล้วการกระทําออกไปไมันต้องชั่วแน่พูดออกไปก็ต้องชั่วอีกเหมือนกัน เพราะอะไรเพราะใจมันชั่วนะเพราะฉะนั้นเรามาดูต้นตอพระกรรมฐานนะี่มาดูต้นตอของความดีและความชั่วเพราะฉะนั้นเราจะเสริมทางไหนเนีเราจะเสริมทางชั่วหรือเราจะเสริมทางดีถ้าหากว่าเราเห็นต้นตอแล้วจะไปเสริมทางชั่วแสดงว่าเราก็แย่มากเป็นหมู่ของประเทวทัศตแล้วถ้าเสริมทางดีก็เป็นตุกสิทธิ์ของพระพุทธเจา้าเพราะเหตุอะไรเพราะเรารู้ รู้ว่าจิตใจของเราคิดไปในทางไหนมันไปทางต่ําหรือไปทางสูงเพราะออกสมาธิมีสติสัมปชัญญะดูใจคนติงตนเองอยู่ตลอดนี่แหละพระกรรมฐานเนี่ยแปลว่ามาดูใจมาหาดูต้นตอของหลักการเป็นอยู่ของมนุษย์ชาติมนุษย์พระกรรมฐานไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรแล้วใคร จะรู้แต่ถ้าพระกรรมฐานไม่ได้สนใจดูใจของตนเองมีแต่มองไปแต่ข้างนอกนะไม่ใช่พระกรรมฐานพระกรรมฐานต้องดูฐานคือที่มั่นของตัวเองคือใจให้ดูใจภาวนาดูอะไรพวกเราดูอะไรดูลมลมหายใจเข้าหายใจออกใครเป็นคนดูดูลม ใจเป็นคนดูลมนี่แหละถ้าเราดูลมเห็นลมเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วนั่นแหละเราจะรู้ตนต่อแห่งความดีและความชั่วเพราะดูใจของตนเองจากนั้นก็ดูเข้าไปเรื่อยๆจนจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งรู้ได้ชัดเจนด้วยตนเองจากนั้นก็นำจิตที่ผ่านความสงบมาแล้วมาพิจารณา ทางด้านปัญญาเดินวิปัสนาที่เดินวิปัสนาเกิดไตรตรองเหตุและผลดูร่างกายของตนเองจากนั้นก็เปรียบเทียบร่างกายของคนอื่นจากนั้นก็เปรียบเทียบร่างกายของตนเองดูเกสาโรมานขาทันตายอย่างที่พวกเราสวดเมื่อกี้เนี่ยอาการสามสิบสองหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จะในตัวของเราทั้งหมดเดังนั้นเราหลงอะไร เราให้ความสำคัญอะไรในร่างกายเออตาก็ดีหงุดก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีน่ารักค่ชอบใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเอย อ, อย่างนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านให้มองเ อ, อ้ให้มองร่างกายเนี่ยมันมันไหลเข้าไปสู่ความแก่ความตายในที่สุดไหลไปเรื่อย ไม่มีใครที่จะน้อยหนุ่มไปข้างหน้ามีแต่เท่าแก่ชราไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงจุดจบในเมื่อถึงจุดจบแล้วนั่นแหละเท่นี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันไม่สูญนะมันจะต้องออกจากร่างในเมื่อร่างกายแตกแล้วสิ่งเหล่านี้พวกเราก็ต้องพิจารณาการกรองไตรตรองด้วยสติด้วยปัญญาของเราให้ชัดเจนจากนั้นเราหลงอะไร เรามาเกิดเราแบกใครมาด้วยเวลาเราตายไปเราเราแบกใครเราแบกใครไปด้วยเราเห็นเคยคนแบกคนไปไหมเวลาตายในรถี่ตถชนรถเฉียวตกเครื่องบินรถตายไปต่างคนก็ต่างไปของใครของเราอีกเหมือนกัน เ, เพราะว่าปีญญาต่างคนก็ต่างไปกรรมของใครกรรมของเราเอทางที่ตายด้วยกันแต่ไปคนละทิศทางกันก็มี เพราะรอะไรเพราะกรรมจำแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างปุตุชนกับพระหันเนี่ยอย่างที่ตกเครื่องบินอย่างเนี้ยหลวงปู่ชิงทองลูกปูนท่านก็เข้าสู่นิพพานไอ้พวกนั้นไม่รู้จะไปที่ไหนก็ไม่รู้ตั้งที่ตายพร้อมกันไอวจาตายพร้อมกันก็จริงอยู่แต่ว่าดวงวิญญาณต่างต่างคนก็ต่างไปท่านบริสุทธิ์ท่านก็เข้าสู่นิพพานท่านจะไปสู่พรหมท่านจะไปสู่สวรรค์ บางคนก็ไปสู่นรกก็มีไปเกิดเป็นสัตว์ทีรระชานก็ไม่ก็มีอย่างนี้เป็นตน้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าจังหวัดอัตติอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรสิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้เพราะนั้นพวกเราให้บำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อตัวของเราเองเป็นอันดับแรกในเมื่อตัวของเรา มีบุญมีกุศลพอสมควรแล้วก็เผื่อแผ่ให้แก่ผู้ที่อยู่ใกล้หรือแผ่อุทิศส่วนกุศลอันนั้นไปบอกตัวเองพร้อมแล้วถ้าวบอกตัวเองมีมากาก็ยิ่งแผ่กุศลได้มากถ้าตัวเองไม่มีแล้วจะไปแผ่ได้ยังไงเพราะตัวเองไม่มีท่าตัวเองก็ยังเอาตัวเองไม่รอดอยู่แล้วไม่คุ้มตัวเองอยู่แล้วจะไปให้คนอื่นได้อย่างไร เหมือนกับเรามีเงินหน่อยเนึ่งเราจะไปให้เขาได้ยังไงถ้าเขาให้เขาเขาก็มีขึ้นมาตัวเองก็จนเพราะมันหมดนะถ้าเรามีมากอยู่แล้วเราให้เขาได้อย่างพระหันที่ท่านได้เข้านิโรธจามาบัตพอออกจากนิโรธจามาบัตเขามาทำบุญกับท่านเขาปรารถนาอะไรสมความมุกมาดปรารถนา เพราะได้บุญกุศลจากท่านผู้เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ได้บุญกุศลมากบำเพ็ญอย่างมากแล้วบุญกุศลมหาศาลเออแต่เขาได้ไปก็เขาก็ได้รับส่วนบุญสมกุศลพรานั้นพวกเราทุกๆท่านนะเข้ามาบวชในคราวนี้ก็ให้ทุกองนั่นนะทั้งพระใหม่พระเก่าพระยุคเก่านะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่านะั่นนะควรจะเป็นตัวอย่างพระใหม่ ก็ได้รับการศึกษาดีแล้วถ้าองค์ไหนนะผูกตรงๆเลยนะถ้าองค์ไหนเป็นผ้าเก่าทำตัวไม่ดีผมจะไม่ให้อยู่นะพอพาหมู่พวกเพื่อนเสียสอนไปเท่าไหร่กับมันก็นยิ่งเสียเพราะเห็ุไรเพราะผ้าเก่าพาเป็นผ้าพระผ้าเก่าสอนเท่าไหร่มันไม่ขึ้นยกเท่าไหร่มันก็ไม่ขึ้นไม่เป็นตัวอย่าง แต่อย่างน้อยก็ต้องอยู่ในหลักพระธรรมวินัยเป็นตัวอย่างให้แก่พวกน้องๆที่เขามาใหม่เป็นยึดเป็นแนวทางไม่ใช่ว่ายึดไปทางที่มันไม่ดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีกับพระพระน้อยพระหนุ่มเขาทำพระพาพระให้เขาทำในสิ่งที่ความหายยะะที่จะเกิดขึ้นเราพผู้เป็นหัวหน้าที่จะสอนสอนยังไงมันก็สอนไม่คืนเพราะอะไเพราะพระในวัดไม่เป็นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี สิ่งเหล่านี้ผมไม่ใช่ไม่คิดนะผมย้ำแล้วย้ำอีกบอกพวกท่านทั้งหลายอย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างที่ได้ฟังได้ยินได้ฟังจากผมไปแล้วนำไปคิดกันกรองไตรตรองและก็นำไปเพื่อประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าฟังหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่เป็นวันๆไปจากนั้นสิ่งที่มันช่วยช้าเสียหายนั่นนะ่ะนมาบอกมากล่าวมาแนะนำ ไอ้ผู้ที่เขามาบวชใหม่อมีไหมถ้ามีบอกนะไอ้พาใหม่นะกูบาใหม่นะออกไปแล้วบอกหลวงพ่อได้ไอ้วัดของหลวงพ่อเนี่ยองนั้นองค์นี้เป็นอย่างงั้นอย่างนี้นะเป็นผ้าเก่าบอกมาไอ้หลวงพ่อจะไม่ไม่เอาไวนะ้แล้วเอาไว้ทํำไมของไม่ดีมีแต่ต้องการของดีเท่านะ่ะเอาไว้ในวัด พฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะพูดทางนี้ทางนั้นเป็นการย้าเตือนนะจริงไหมที่ผมพูดถ้าไม่ดีจะไว้ทำไมเหมือนกับพยาธิอยู่ในตัวของเราน่ก็ต้องพยายามอาออกมันเกาะถ้ามันเป็นของดีอยู่แล้วไปตัดทำไมตัดนิ้วมือนิ้วมือนิ้วเท้าทำไมเพราะมันดีแต่มันไม่ดีเนี่ยเอาไว้ทำไมไมันเป็นอันตราย สิ่งเหล่านี้กาให้พวกเราท่านทั้งหลายต่อไปพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่พวกท่านหลายก็คงจะคิดอย่างผมเหมือนกันผมมั่นใจแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายไม่คิดอย่างผมนะพวกท่านกันนะเละทุ่มเป๊ะไปหมดหากฎหาเกณฑ์ไม่ได้ผลที่สูงขนาดจะเอาตัวตัวเองจ ะ, จะรอดก็รอดไม่ออกรอดไม่ได้อีกต่างหาเพราะเหตุไรเพราะนี่ยไม่เป็นหลัก ผมสอนหมูสอนเพื่อนพวกหมูทั้งเพื่อนทั้งหลายสอนพุ่มสอนให้หมูเพื่อนเป็นหัวหน้านะไม่ใช่ว่าสอนให้พูดเป็นผู้ตามผมตลอดผมอีกไม่นานผมก็จะถึงจุดจบแล้วแต่พวกท่านทั้งหลายล่ะจะอยู่เพียงขนาดอย่างนี้ตลอดไปอย่างนั้นใช่ไหมพวกท่านทั้งหลายจะภาคภูมิใจไหมที่พวกท่านทั้งหลายทําสิ่งที่มันไม่ดีต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านนึกขึ้นมาแล้วก็ภูมิใจในการกระทําไม่ดีอย่างนั้นใช่ไหมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น เมื่อขณะที่อยู่ก็ต้องทําตนให้ดีที่สุดต่อไปภายภาคหน้าเมื่อออกจากครูบาอาจารย์ไปก็นึกถึงในการอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วภูมิใจในการกระทําอย่างผมผมอยู่กับหลวงปู่ลาผมก็ภูมิใจอยู่กับหลวงปู่จามผมก็ภูมิใจอยู่กับหลวงปู่แหวนถึงท่านไม่พูดเลยผมก็ภูมิใจมีอยู่กับหลวงตามหาบัวเหมือนกันผมภูมิใจเข้าไปหาครูบาอาจารย์ได้ทั้งหมด ไม่ได้เห็นตัดหําทับทางตนเองอยู่ด้วยความเคารพรักมีอะไรท่านใช้อะไรเราทําอย่างเต็มที่เมื่อเราเข้าไปอยู่เพื่อการศึกษาแต่เราจะออกมาแล้วมันเป็นเรื่องของเราเราจะเอามาใช้มากน้อยอย่างไรแค่ไหนอันนั้นเป็นเรื่องของเราเพราะนั้นอยากจะให้พวกท่านทั้งหลายเป็นตัวของตัวแล้วก็เป็นผู้มุ่งมั่นในอัตในธรรมเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะพูดทางนี้ทางนั้น เป็นแนวความคิดให้แก่พวกเราทันทั้งหลายได้ศึกษาต่อจ น, นี้ไปผมจะหยุดในการพูด